นี่คือรายการเปิดธําที่ถูกติดภาคออนไลน์ทางพิวต ma.com ทุกวันเราก็จะมากับคุณหมอรัตะพงศ์ครับกลาบน้ำการแล ะ, ะกลับสวดดัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธนแพทย์รัตพงศ์กนวิรุณจากกรุงเทพครับผู้พูดนี้ก็คืออาตมาพระไพบุญ น, นะแล้วก็เราจะมาเจอกับคุณท่านผู้ฟังทุกวันวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอตอนที่61ครับ61แล้วครับ61ครับอ่า61รเราก็ได้คุยกันไปหลายเรื่องหลายราว แล้วก็พร้อมกับคําถามที่เราจับจากท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับเนอะเราก็มีประเด็นอะไรที่ท่านฟังเขียนมาเนี่ยส่งมาเราก็จะมาตอบให้ในตอนที่เราได้พูดถึงเรื่องของอะไรคุณหมอละทงเออคือมีคราวที่แล้วมีคําถามเราตอบคําถามของคุณปณิทิตกับคุณนิพารัตน์โหตอบนี่ก็หมดเวลาเลยเนาะครับครับเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ใหญ่ใช่ใช่ครับคือคุณปณิทิตก็มีมี ตอบกลับมานิดนึงเรื่องของอการขับรถในกรุงเทพนะครับที่บอกว่ามีการเหมือนกับว่าจะขึ้นสะพานแล้วมันแคบคนก็จะเรียงต่อแถวกันแล้วก็มีคนมาแทรกอย่างเงี้ยคุณปัทติทิถามว่าควรจะทาอย่างไรทีนี้ <จะ S 2> ว่าอันนี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องว่าเวลาที่จะประคองจิตมีเมตตานี่พูดกันได้นะเราพูดกันได้ทางวิทยุเนี่ยอยู่ในหนังสืออ่านกันก็นกฟังรู้เรื่อง แต่อีตอนที่มันเกิดจริงๆนี่เราจะมีจิตทํำยังไงอันนี้เราพูดไปแล้วตอนที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับแบบจัดเต็มเลยละ่ะอั น, นี้ว่าคุณปฏิทิก็ได้รับฟังแล้วก็โอเคเข้าใจละก็ยังมีคําถามอยู่แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะให้หรือเราจะไม่ให้<ม>นะนี่คือลักษณะของคําถามว่าถ้าาสมมติโอเคเราทําจิตอย่างที่ท่านพระพุทธเจ้าบอกสอนละเหมือนกับที่พระอาจารย์ไปบุญบอกละทีนี้แล้วจริงๆเราจะให้หรือเราจะไม่ให้ดี นะั่นคือเรื่องในจิตเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปทางจิตของเราใช่ไหมที่บอกแล้วว่าเราจะต้องไม่โกรธไม่มีความคัดเกียดไม่มีความปยาบาดละ่ะครั บ, รบทีนี้เราจะให้หรือไม่ให้หมารัชวงว่าไงก็ให้ไม่ให้นี้ส่วนส่วนตัวนะครับ อ, อยู่ที่จังหวะถ้าจังหวะเขาเขาเข้ามากระชั้นแล้วก็ถ้าไม่ให้ในอุบัติเหตุเกิดเนี่ยก็อยอมๆไปอแต่ถ้าโดยปกติเราจะไม่ให้แตนะ่ถ้าเป็นอาจามาขับรถเองเราก็จะไม่ให้ แต่ถ้าจังหวะเขามาดีแล้วเขาก็มาใส่ได้พอดีนะเราความอะไรเราน้อยเราก็จะก็ต้องยอมให้เข้าไปก็จังหวะดีก็ได้ไปนะครับทีนี้ถ้าเขาเข้าได้เราก็ไม่คิดเครียดแค้นโกรธเคืองถ้าเขาเข้าไม่ได้คือเราไม่ให้นะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เราไม่ให้เข้ามาไม่ถูกเราก็ไม่ให้ก็ไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมนแซงคิวมาแล้วเราก็ไม่รู้สึกย่อเย้ยเขาเราไม่สึกด่าเขาในใจอย่างนี้ทั้งทั้งที่เขาทําได้หรือไม่ได้ก็ตามอย่างเงี้ยก็แก้ไปตามสถานการณ์ เอ no. uh, อย่างบางทีเราตั้งกฎอะไรไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันนี้คือพูดถึงกฎจราจร <c oughs> เขาตั้งเอาไว้เขาสมมติขึ้นมานะหมอรัตวงพอมีใครทําผิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะขณะเราเองะเรายังไม่ได้เป็นผู้ออกกฎนะเรายัางจี๊ดเลยอเรายัางจี๊ดนะอแต่ถ้าเผื่ว่าไอแถวที่เขาต่อกันอยู่เนี่ยนะแถวที่เขาต่อไม่ใช่แถวเรารไม่ใช่แถวเราเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากกับคนพวกที่เขามาแซกอืแต่ถ้าเป็นแถวเราเมื่อไหร่มันยิ่งจี๊ดมากกว่า ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเราไปยึดถือในในความเป็นของเราตรงนี้ไงตัวเราของเราใช่แล้วก็ยึดถือในความที่เป็นกฎยึดถือในความถูกต้องคุณยึดเมื่อไหร่นะหมอพงศ์ความยึดเนี่ยนะมันไปติดกับอะไรนะสิ่งนั้นเป็นทุกทันทีอความยึดนี่ยไปติดกับอะไรใช่ความยึดถือเนี่ยไปติดกับอะไรสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ของเราทันทีนะสมมุติมันไปติดกับรถยนต์รถยนต์การนี้เป็นทุกข์ของเราทันทีมันไปติดกับโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่เครื่องอื่นโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นทุกของเราทันทีโทรศัพท์เครื่องคนอื่นตกไม่เป็นไรของเราตกยึดนะมันไปยึดกับติดกายอะไติดกับถุงทรายหน้าบ้านเราถุงทรายหน้าบ้านเราจะเป็นทุกของเราทันทีใครเอาไปถุงทรายล้มสวยเลยตกใจนะแต่ถ้าถุงทรายหน้าบ้านคนอื่นนะความยึดถือไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ไม่เป็นทุกขอเราถุงทรายหน้าบ้านคนอื่นล้มไม่มีปัญหาอย่างงี้นะถ้ามันไปติดกับความดีล่ะความดีนั่นแหละจะเป็นทุกของเรา ฟังให้ดี <Lav seus S 1> ถ้า<ช>ความยึดถือไปติดกับมรรคมรรคนั่นแหละจะเป็นความทุกข์ของคุณความยึดถือไปติดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะจะเป็นความทุกข์ของคุณ <zar ous> เข <ฤ S 2> ้าใจไหม <S <S <arrib> ความยึดถือไปติดกับสง์รูปใดรูปหนึ่งพิกษุรูปใดรูปหนึ่งคุณเอาความยึดถือของคุณไปติดไว้นั่นแหละจะเป็นความทุกข์ของคุณเพราะอะไรเพราะเมือ่อไหร่ที่ครีมีใครมาด่ามีใครมาว่ามีใครมาพูดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณจะจีตถ้าคุณเอาความยึดถือเงินไปติดกับศีล ถ้ามีคนผิดศีลปุ๊บกุญจีทันทีอืความยึดเป็ติกะกฎจราจรมีใครผิดกฎจราจรกุญจีทันทีอืครับก็จะไหมกฎจราจรก็ตามมาร์กก็ตามครูบาอาจารย์ก็ตามพวกนี้เราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรนะมก็มีผู้เรียนแยกให้แล้วนะความยึดคือเหตุของความทุกข์ก็จะไหมเหตุของความทุกข์ทำไงเราต้องละใช่ปะพวกความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามกฎจราจรก็ตามครูบาอาจารย์ก็ตามพวกนี้เป็นทุก เขาหม่นะครูบาอาจารย์พวกนี้เป็นทางให้ให้ดับของทุกข์คือเราพูดถึงอริยสัจสี่นะใช่พูดถึงสมุทัยคือเหตุของความทุกข์คือเจ้าตัวความยึดเนี่ยเราต้องละครับถ้าความยึดนี้ไปติดกับอะไรนะสิ่งนั้นจะกลายเป็นทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นมันไปติดกับครูบาอาจารย์ครูอาจารย์จะกลายเป็นความทุกข์ของเราเข้าใจไหมแต่ถ้ามันไม่ไปติดนะมันก็เราก็ต้องละมันให้ได้แล้วความทุกข์แหะสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างเช่นขันทั้งห้าก็ตาม กฎจัญญาจรพวกนี้เราต้องเข้าใจเขาด้วยความที่รอบรู้เขารอบรู้ก็คือรอบรู้ว่าเออมันสุขยังไงมันทุกยังไงมันแก่ยังไงมันทําไงถึงจะแก้ได้ครับแล้วส่วนมัคเช่นสม า, สมาธิสมาสติพวกนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอันนี้คุณต้องทําให้มากๆครับสมาธิคุณต้องทําให้มากสติคุณต้องทําให้มากอย่างนี้นะมีคนที่เขาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า แตศึกษาไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เขาพูดมีคําถามอย่างนี้มารดงเขาบอกว่า เ, ออเขาพูดถึงอธิบายอริยสัจ ส, สเลยนะเขาอธิบายอริยสัจ ส, สโดยที่เขาก็คือเพิ่งศึกษานะครับคือไม่ใช่เป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้าหรอกเป็นคนศาสนาอื่นเขาก็มาวิเคราะห์คําสอนของสมณะโคดมให้ฟังว่าออพระพุทธเจ้านี่สอนเรื่องอริยสัจสสอนเรื่องอริยสัจสนี่ทุกข์เกินี่พวกเรารู้อยู่แล้วเหตุของทุกข์เกิตัณหาและการทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือมรรคนี่ต้องรีบๆตามทำให้มาก เขาบอกว่าอริยสัจสเนี่ยมันจะตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่มีความอยากคุณจะไปทํามรรคอย่างให้ไม่มีความอยากมันไม่ได้มันขัดกันโดยสิ้นเชิงฟังให้ดีนะฟังอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจริญมรรคโดยไม่มีความอยากเนี่ยไม่ได้ก็บอกอย่างนี้เฟังให้ดีครั้งหนึ่งคุณจะเจริญมรรคโดยไม่มีตัณหาเนี่ยไม่ได้มันทําไม่ได้คุณจะทําตัณหาใช่ไหมคุณต้องมีดีไซน์ต้องมีคุณจะเจริญมรรคขออภัยคุณจะเจริญมรรคคุณต้องมีตัณหาในการที่จะทําม เพราะบอกว่าตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์แต่คุณต้องมีตัณหาในการที่เจริญมรรคเพราะนัทอิระสสีเองเนี่ยตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เขาอากิวมาอย่างนี้ครับอ่าเป็นเป็นคนที่พูดสังเกตนะครับทีนี้เราก็ได้ได้ข้อมูลโอ้เขาไม่เข้าใจนะว่าตัณหากับไอความต้องการมันไม่เหมือนกันตัณหากับชันทะาอ่ตัณหากระชันไมท่ไม่เหมือนกันคุณต้องตั้งชันทะเอาไว้ในการเจริญมรรคใช่ไหม แล้วในขณะเดียวกันคุณต้องละตัณหาเดี๋ยนี้ความแตกต่างตรงนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับคืออย่างอุปทานตัณหาพวกนี้นะมันติดอยู่กับอะไรนะมันจะทําให้เราสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์หมายความอะไรคือมันจะทําให้เรามีความมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นในจิตอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงปิดสีเลยนะปิดสีนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะเรารพูดถึงในจิตเนี่ยมันจะขุ่นหมัวอย่างสมมุติว่า ค, ค, คุณเอาความยึดของคุณไปติดกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหม <C le ad> พอมีข่าวลงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพิษุรูปนี้ไม่ดีขึ้นมาปุ๊บคุณจะจี๊ดจีดเลยจี๊นี่คือมีความปยาบาทคุณมัวมีความเอไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตนะใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคุณมีตัณหาในพิกษุรูปนั้นอืม <C le ad> ใช่ไหมเพราะฉะั้นคุณ <C le ad> ต้องทำไงละตัณหาอ้าวแล้วถ้าคุณละตัณหาได้คือไม่ใช่ว่าละได้หมดก็ตามนะแต่ว่าผ่อนเบาได้บ้างเนี่ยนะคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะเห็นเป็นธรรมดานกาพิจารณาตามเหตุปัจจัยน่นจะไม่มีอารมณ์นี้เกิดขึ้น ออย่างนี้เป็นต้นสมมติเรามีข่าวพระสงฆ์รูปอื่นขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ได้มีความยึดติดในเขาเราก็อ่านเฉยๆอะไรเออเฉยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าความยึดเนี่ยเราต้องละเพราะฉะนั้นมันมาติดกันเนี่ยเราเคยคุยประเด็นนี้ไปหมอนรัพงศ์ที่ว่าเราบอกว่าคุณอยากสุขแต่ไม่อยากทุกข์นะอยากได้ความสุขแต่ไม่อยากได้ความทุกข์เราคุณเข้าใจไม่ถูกอยากกับไม่อยากเนี่ยจีสือสิ่งที่คุณต้องละ นะสุขกระทุกคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะ Oke, คือ <k savoir. S 1> มันมีอยู่4ก้อนด้วยกันนะไอ้คําพูดว่าอยากสุขไม่อยากทุกเนี่ยมีอยู่4ก้อนก้อน <K rab. S 1> แรกคืออยาก ก, ยาก้อนที่2คือสุขก้อน uh oh. ที่3คือไม่อยากก้อนที่4ี่คือทุกใช่ไหมเราต้องปาดก้อนหนึ่งกับก้อน3มารวมกันคืออยากกับไม่อยากมารวมกันนะก้อน2กับก้อน4ี่รวมกันคือสุกกระทุกรวมกันแล้ว1กับสทิ้งไปซ ะ, ะคืออยากกับไม่อยากทิ้งไปซะแล้วสองกับสทําไงคือความสุกแลความทุกขเราต้องเข้าใจเขา รู้ตามความเป็นจริงใช่สุขเป็นยังไงทุกเป็นยังไงทํางานยังไงเกิดจากอะไรอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณแก้เขาอย่างไงอย่างนี้ครับครับมีมีคำกล่าวว่าถ้าเรารักสุขทุกมันก็ตามมาทันทีมันคือมันคือสองด้านใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสุขนั้นหมดไปเนี่ยเราจะเป็นความทุกข์ทันทีครับอย่างสมมุติเรานั่งสมาธิเอาไม่ต้องอื่นไกลเอาเรื่องละเอียดละเอียดหน่อยเช่นนั่งสมาธิอย่างเงี้ยกูนั่งสมาธิกูได้ความสุขมากเลย ไอ้อยากความสุขนี่หมดไปแล้วพอลืมตานถ้าคุณมีความยึดถือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเคยเห็นนะพวกที่ไปนั่งสมาธิก็ตามแต่กลับบ้านมันยังด่าลูกอยู่ด่าผัวอยู่นาด่าแม่อยู่นะเพราะว่าคุณมีความยึดถือในเรื่องของการปฏิบัติของคุณไงสีรับตูปปาทานเนี่ยความยึดถือในสีและรนที่มีขึ้นมาก็ไม่ถูกต้องละอันนี้ครับทีนี้มันก็ค่อยๆแก้ไป รตรงนี้จะแก้ทำให้ดีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตทีท่มีสติมีสติอยู่ม า, มากๆเลยถึงจะทำได้ครับ<ม>คือมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บแล้วก็ตู้วางได้จะวางได้กันทันทีไม่ง่ายนะครับแล้ะเบิดตู้มขึ้นมาแล้วก็เป็นพ้าหลานเลยมันไม่ใช่ไนมันค่อยๆเดี๋พเจ้าบอกว่าความมาสจรรย์ในธรรมะวินนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าค่อยๆลาดลงไปเหมือนไหลทะเล ลาดลงไปเหมือนไหลเละอนี้คือหนึ่งใน8อย่างนะที่ความมหัศจรรย์ในธรรมะวันนี้นี่นะคือค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปตามลําดับอย่างสมมุติเราขัดกิเลสอย่างเงี้ยขุดเกล้ากิเลสอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับรอยหัวแม่มือที่ด้ามของพวกช่างไม้นะมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นหรือว่ารอยสึกนะที่รองเท้านะจะเปรียบเทียบกับสมัยนี้รองเท้าเรักษาไปมันก็ศึกค่อยๆศึกค่อยๆสึกใช่ไหม ใส่ไปปี2ปีอ่าแต่ละพื้นเป็นโบเป็นรูโดยที่เราไม่ได้มารู้ว่าเออวันนี้สึกไปกี่มิลลิเมต ร, รอ่าพรุ่งนี้สึกไปกี่มิลลิเมตรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าการใช้มากใช้น้อยด้วยก็เช่นเดียวกันกับกิเลส ข, ของเรามันก็ ค, ค่อยค่ยขูดไปขูดไปอย่างเงี้ยพออย่างคุณกรณี อ, องคุณประนิชที่อย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งอ่าไม่ต้องนั่งแล้วเอาแค่ว่าตื่นเช้ามาเรารู้ลมใจสั้นอะไรดีคุณไปทํางานใช่ไหมระหว่างอยู่ในรถรอไฟแดงงเงี้ย คุณทำอะไรไม่ได้คุณก็รู้ลมหายใจสักหน่อยนะทําไปคุณปฏิที่ทําไปทําไปสักหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนปีหนึ่งแล้วคุณจะเห็นผลเห็<ต>นผลยังจะวัยขึ้นนะใช่อย่างเช่นเวลาที่เขามาปาดหน้าอย่างเงี้ยครเมื่อก่อนอาจจะ โ, โกรธโกรธแบบจี ط, รบ้ระเบิดตุ้มต้องนึกถึงพ่อและแม่ของเขาครับนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะผ่านไปเราอาจจะไม่ต้องนึกถึงพ่อและแม่ของเขาแต่นะรเราอาจจะไม่ระเบิดตุ้มขนาด น, นั้นจะโกรธนิดๆอย่างเงี้นะอืม ฮึ่มฮเฉยๆแต่ไม่ถึงกับจี๊ดขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นใช่ไหมเรายังเคยพูดถึงระดับของการวัดว่าอที่เราปฏิบัติดีขึ้นมากหรือน้อยใช่ไหมใช่ครับวัดที่ความเร็วความแรงแล้วก็ความสม่ําเสมอความเร็วในการละทิ้งอะไรใช่อันนี้ก็คืออันที่หนึ่งความแรงก็คือว่าเวลาโกรธขึ้นมาหรือว่าดีใจขึ้นมาเนี่ยมันจี๊ดขึ้นไปสูงไหมอ่าถ้าไม่สูงก็ถือว่าดีถ้าความแรงน้อยลงก็ดี ความเร็วต้องมากขึ้นความแรงต้องน้อยลงนะความสม่ําเสมอนี่ก็หมายความเวาเวลาที่ไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยคุณรู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆไหมตรงนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้รเราก็จะเป็นการวัดตัวเองได้คือหมอลัฐพง์เราต้องค่อยๆทําอยู่ตลอดเวลานะครั บ, รบเก็ บ, บแต้มสะสมแต้มคือค<ๆ>อาจารมาจะต้องพูดว่าเนี่ย เ, เ, เป็นโทษของมัคเหมือนกันนะคือแหม่พูดอย่างนี้เราก็จะพูดไม่ถูกคือหมายความว่ามัคเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําปุ๊บแล้วมันก็จะจบเลย คุณยังไม่ถึงจุดมาลตสโตนของการเป็นระเบียบบุคคลขั้นใดขัหนึ่งนี่คุณยังยังไม่จบก็ใช่ไหมอย่างสมมุติคุณเดินโซดาปฏาิมาภิกษุอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดุชาตินี้คุณตายไปก่อนใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นโซดาปฏิผลและสวยเลยนะซวยเลยหมายความว่าชาติหน้าไม่รู้จะ เ, เกิดม า, าเจอ เ, เออเจอเพื่อนดีไหมเจอคําสอนพระเจ้าไหมเกิดมาในครอบครัวอย่างนี้ไหมโอ้โหสวยเลยนะคือมีความเสี่ยงมากแต่ถ้าเราถึงมาลตสโตนเส้นใดเส้นหนึ่งในในความริเบยะบุคคลขั้นผลขั้นผลนะขั้นผลครับ คุณก็จะมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งถึงความที่อพบต่อๆไปไม่เกินเจ็ดชาติอืมเกิดครับทีนี้ว่าอย่างอถ้าเราทําไปทําไปเนี่ยอย่างสมาธิอย่างเงี้ยดีแน่นอนสมาสมาธินะแต่ข้อเสียของเขาก็คือความที่เขาดับไปได้อืใช่ครับนี่คือข้อเสียของเขาใช่เพราะเราจะละตรงนี้ได้อย่างไรเราจะต้องเจริญมรรคจนสุดเนี่ยเพื่อที่จะละไอ้ความเอละจิตที่ว่าต้องไป ปฏิบั ต, ติตรงนี้อยู่เรื่อยกิจที่ควรทำได้ทาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ายมาักมีข้อเสียแมมเราก็จะพูดไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ า, เ, าเราแบ่งเป็นส่วนๆแล้วกันนะส่วนที่มีข้อเสียเต็มที่เลยไม่มีข้อดีไม่มีอะไรที่มันควรจะมายึดถือหรือว่าความสนใจมันเลยนั่นคือตันหาทิ้งมันไปนะส่วนที่ดีต้องทําให้มากทําให้เจริญคือมักมาตรงนี้นะส่วนที่เข้าใจเราต้องเข้าใจนะเรื่องของทุก์เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นอยู่ไปก่อนก็ได้ ครับก็ชัดเจนนะครับท่านทีนี้มีคําถามจากอีกท่านหนึ่งคือเป็นคําถามจากรายการทางวิทยุใช่ไหมครับท่านทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นเรามาพูดถึงเรื่องสตินิดนึ่งอ๋อครับสติประทานสติเนี่ยตอนนี้รายการเพียวธรรมะเขาเรียกว่ารายการนี้รายการไหนนะแบบอดแาสต์ถูกไหมเปิดทางที่ถูกผิดเพื่อออนไลน์อทางเว็บไซต์เนี่ยเรามีอีก อีกเราเรียกว่าอะไรอีกเซอร์วิสหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือธรรมะแคสที่เพียวธรม com ถ้าใครฟังรายการอยู่เรื่อยมาที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะเจอธรรมะแคสซึ่งธรรมะแคสตอนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือตอนที่3หรือตอนที่4เนาะตอนที่4เราพูดถึงเรื่องสติที่นกมูลไทยที่จะต้องอยู่ในที่เที่ยวที่หายิ่งของตัวเองถ้าลเหลอออกไปปุ๊บโดนนกเหี่ยวจับก็สวยไป ครับอ่า<ส>ม <kidnapped> <ELIPE. S 2> ัน <downstairs> ก็ไ <Nas> ม <as out> ่ใช่ว่าจะรอดทุกตัวอืมครับเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเราต้องฝึกอยู่เรื่อยๆครับฝึกอยู่เรื่อยๆนะเราไปที่ไหนก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดนะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จิตเอ่อมาระลึกถึงตรงนี้ก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะคำว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยคำว่าระลึกถึงเนี่ยหมายถึงว่าเรานึกถึงนี่ก็เป็นระยะที่หนึ่งนะที่พระเจ้าบอก ในยะที่สองก็คือรู้นำมารู้ตรงนี้อยู่คือการที่คุณมารู้ตรงนี้อยู่คือคุณไม่ไปรู้ที่อื่นใช่ไหมก็แสดงว่าคุณลึกถึงอยู่แต่ตรงนี้อย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าการระลึกถึงพุทธเจ้าก็จะใช้คําว่าประชานติอประชานตินี่คือการระลึกถึงใช่ไหมครับรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งระลึกถึงคือหมายว่าคุณไปคิดอย่างอื่นอยู่คุณนึกอย่างใหม่ได้อ่าใช่ไหมสมมติเอาไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อราเรามานึกถึงกายได้อันนี้คือระลึกถึงกับการที่มีสติ แต่ถ้าเราจิตเราอยู่ในกายอยู่ตลอดเวลาละจิตเรอยู่ในกายตลอดเวลาอันนี้คือประชานาติคือรู้พร้อมเฉพาะอยู่ตลอดเวลาเป็นะถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่าเข้าข่ายอยู่ในกรณีของอสัมมาสติครับ อ, อย่างกายที่พระพุทธเจ้าสรนเสริญก็คือเรื่องของลมลมหายใจใช่ไหมครับใช่รเราก็ใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้เพนะราะลมหายใจนี่ก็เป็นทั้งกายเวทนาจิตและธรรม เงี้ยนะครั บ, อรบนอกจากประเด็นของเรื่องสติแล้วมาลพงศ์มีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกายนี่ก็ชัดเจนเวทนานี่ก็ให้ระลึกถึงตัวเวทตัวอุเบกขาใช่ไหมครับคืออย่างนี้อาจมาคิดว่าเราะจะจะไปกระเกณฑว่าเดี๋ยวนี้ฉันทำการเดี๋ฉันทำเวทนาเอาแค่ว่าเรารู้หมายใจอย่างเดียวครับเนื้อรู้ลมหมายใจอย่างเดียวเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นทำอันเอกนะที่เมื่อทําแล้วสติปัฏฐานทั้ง4จะบริบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นสติสปตัฐานทั้งสเนี่ยมาด้วยกันหมดเลยนะ <c oughs> คือคุณไม่ต้องไปกัเกณฑ์ว่าเอ้ตอนนี้ฉันทํากายอยู่หรือฉันทำเวทนา อ, อยู่ตนันจำจิตอยู่หรือฉันจะทำธรรมธรรมะอานุปัสสนาตรงนี้เมื่อไหรด่ดีนะแค่คุณรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเอามันอย่างเดียวไม่ต้องหอยอย่างอื่นมากหายใจยังไงคุณก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องหายใจ<ช>ทิ้งก็แล้วกันอย่าหายใจทิ้งนะห้ใจให้จิตของเรามารับรู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะคือไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้นะคือตลอดเวลาเนี่ยมันดีแน่ล่ะแต่ทํำบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ำๆ ต้องซ้ำตรงนี้ย้ําตรงนี้ต้องย้ําอีกให้เข้าใจมาแล้วท่คือเราไม่ได้ว่าคุณจะต้องมานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งไม่ขยับเลยแหมทำามบนั้นได้ก็ดีแต่ว่าคารวะเป็นผู้มีกิจการงานมากใช่ไหมคุณยังไม่ได้มาบวชผมกลอนหัวหรือว่านุ่งห่มเหลืองเนี่ยจะไปทําปฏิบัติอยังไงมันก็จะยากและสําหรับคารวะคุณไม่ต้องมากเอาสองนาทีทุกวันวันละสิครั้งยี่สิบครั้งพอครับ เอาส0ครั้งย0ิบครั้งบ่อยๆไม่ต้องสิบครั้งก็ได้ขอสองครั้งสองครั้งก่อนห้าละทีสิบละทีเช้าเย็นอย่างเงี้ยทำบ่อยๆทำไม่มากมันเป็นยังไงคือเหมือนกับตัดถนนนะหมอครทงตัดถนนเนี่ยมันมันมันไปเรื่อยๆทำซ้ำด้วยกระบวนการเดิมแต่ถ้าใครเคยไปเห็นดูเวลาเขาทำถนนน่ะเขาก็เอาหินลูกลังมาถมที่ใช่ไหมปรับสภาพพื้นบดอัดเทพื้นคอนเทลูกลัง กรีด <Greek, S 2> บ, <ท>บทอัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำตีเส้นทำไปเสร็จละ500เมตรทำอีก500เมตรต่อไปก็ทำอย่างเดิ ม, เ, เ, ดมเอาใส่หินบอดอัดตีลุกรังใส่เอาอสเพาส์ใส่ใช่ไตีเส้นจบทำต่อไปอีกแต่ถนนมันยาวขึ้นได้นะท ำ, ทำเหมือนเดิม เ, เช่นเดียวกันตรงเอาอมัเนต่อไปอีมแติวมันนได้เรดมดมเอาใินดัีลูกลังสเอาอเาใไปมเนาท่อีกแต่นมาได้นาทีเอนเดิเอานอีก ตอนเย็นคุณทําอีกห้านาทีทําได้สองนาทีก็สองนาทีแรกเนี่ยมาต่อสองนาทีตอนเย็นนี้คุณกลับเข้าใกล้มักรไปคุณเข้าใกล้ผลไปอีกสี่นาทีแล้วนะใช่ครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเหมือนเป็นการเดินเดินทางไกลอพุ่งนี้เช้าทําอีกห้านาทีได้สมนาทีเองนะช่วงทํา้านาทีเนี่ยจิตสงบสมนาทีอย่างอีสอนาทีฟุ้งซ่านคุณเข้าใกล้มักรไปอีกสามนาทีเป็นแปดนาทีแล้วนะครับอ่าเป็นเจนาทีสี่ห้าหก็ดเจ็ดนาทีอย่างเงี้ย <D> <L an> โอ้หดีแล้วนะเข้าใจป่ะเข้าใจครับตอนเย็นทําอีกสิบนาทีอย่างเงี้ยเข<อ>าทำได้ห้านาทีเองครับ <S <S มันก็ค่อยๆใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเดี๋ยวตอนกลางวันวันนี้ตอนกลางวันฉันมีช่วงเวลาว่ากฉันขอทําอีกสิบนาทีแต่คือเรารเร า, เราไม่ใช่ว่าเราไปแบบทําตัวประห ล, ะะหลาดๆในที่ทํางานนะหมอรัตวงอย่างบางทีเราคุณนั่นง <S <S อยู่ออฟฟิศคุณก็หลับตายิ้มเพราวมันคนก็จะหาว่าเราบ้าเขียนอลืมตาก็ได้ เดินอยู่ก็ได้เดินขึ้นบันไดก็ได้กินข้าวก็ได้ถ้คุณกินคนเดียวระหว่างเดินขึ้นบันไดในออฟฟิศคุณก็ทําไประหว่างจอดรถคุณไม่มีคนคุยด้วยคุณก็ดูไปด้วยอย่างเงี้ยหรือระหว่างรอลิฟต์นะฮะว่าบางคนรอลิฟต์แล้วกระสับกระส่ายเอ้ไม่มาสัทีอย่างเงี้ยดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาดูลมหายใจดีกว่าไหมจริงครับระรึกตรงนี้คือเราระลึกได้ไงอุยอุ้ยแทนที่จะดูนาฬิกานึกถึงลมหายใจฟบนั่นนั่นแหละเราทําค่อยๆทํา จะเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ตกเป็นธาตของสิ่งอื่นเพราะว่าอะไรบางทีเราตกเป็นธาตของเวลาใช่ไหมเวลาท่านคิดเหลือเกินปุ๊บคุณไม่อวุธฉันจะดูลมใชใจตอนนี้อย่างน้อย30วินาทีโอ้คุณไม่เป็นธาตของคนอื่นนะคือการฝืนตรงนี้แหละการฝืนตรงนี้แหละคือการฝืนกระแสะของตันหาครับคือแต่ที่ฝืนจะไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคุณฝืนอยู่ทีละน้อยแล้วน้อ ย, อยทําไปทําไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อของจิตของเรา พ<ส>ราาะาช้คำว่าอาหารนะ่ะเพื่อนอาหารของจิตแต่เวลาที่คุณทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยทําอยู่เรื่อยๆนี่คือการทําสติปัฏฐานให้เจริญใช่ไหมเมื่อสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอาหารของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็เป็นอาหารของวิชาวิมุตนะวิชาวิมุตครับแล้วมันเป็นอาหารกันไปทอดๆเป็นทอดๆนะวิชาวิมุตเนี่ยเป็นอาหารของจิตที่ประพัดสอนที่ประพัดสอนจะเจริญได้ตลอดเวลาก็อยู่ที่วิชาวิมุตตรงนี้ครับอืจริงๆครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับฮีรีอตปปะอยู่อีกนิดหนึ่งนะอย่างสมมุติว่าคุณขับรถไปคนเดียวคุณขับรถไป็นคนเดียวเนี่ยเวลาคนปาดหน้าปุ๊บเราด่าได้เต็มที่เลยนะไม่มีใครฟังอยู่ด้วยแต่ถ้าเราขับรถไปกับเจ้านายหรือว่าคู่รักของเราที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆจะด่าเขาจะด่าคนอื่นคนที่ขับรถปาดหน้าเราเรารู้สึกแหมฉันวันนี้ฉันฉันจะต้องคอยระวังนิดนึ่งนี่คือยังเก็บอาการเขาเรียกเก็บอาการความละอายต่อแบบ มีความกลัวต่อบาปความกลัวหมายวาม่าไงคือกลัวเขาจะว่าเราอันนี้คือโอตะปกใช่ไหมมีความละอายต่อบาปเนี่ยคือความที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเราเป็นคนดีอ่ะฉันเป็นคนดีฉันจะไม่ทําชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ด่าเขาอมาหรอกนี่คือยุติของคุณอัจฉริยะอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เปรียบเหมือนกับหินสองก้อนครับหินก้อนหนึ่งนี่เปื้อนอุจระครับแล้ก็แต่เย็นหินก้อนหนึ่งร้อนแล้วก็มีไฟลุกติดอยู่ โอตาปะเนี่ยฮิริเนี่ยคือเปรียบเส ม, มือนหินก้อนที่เย็นคุณกลัวที่จะไปจับออขออภัยหินก้อนที่เย็นเนี่ยเปรียบเส ม, มือนโอตาปะคือคุณเกลียดที่จะไปจับครับ อ, อุจหินเบื่ออุจระเบื่อไม่อยากจับแต่ไอหินก้อนที่ติดไฟร้อนร้อ น, อนเนี่ยเปรียบเส ม, มือนอกลัวเอาคุยเรากลัวหินก้อนร้อนเราไม่อยากจะไม่ไม่ก็จะไม่ทําความไม่ไม่จับมันนั่นก็คือความชั่วเนี่ย เราไม่ทําเพราะอะไรเพราะเรามีความกลัวและความละอายความกลัวเนี่ยหมายความว่าอืม <c oughs> เรากลัวต่อคนอื่นเขามาดา่าอย่างสมมติพระส่งอยู่ด้วยกันสองรูปอย่างเงี้ยาะฉันกลัวพระอีกรูปหนึ่งจะมาติเตียนฉันด้วยศีลเพราะฉั้นนทำดีดีกว่าอื <c oughs> อย่างเงี้นนี่คือโ <c oughs> อตบะโอตบะครับฮิริ <h iri> นี่คือความละอายความละอายตบบาปโอตบะคือความกลัวตบบาปใช่ไหม <c oughs> ความละอายตบบาปก็คือว่าอย่างสมมติเราอยู่องค์เดียวหรือรเราอยู่คนเดียว โอ้ยฉันเป็นคนดีนะฉันไม่ทำหรอกเรื่องชั่วๆเราจะคิดคอย่างงี้สมมันจะฆ่าคนอย่างเงี้ยโอ้ยฉันไม่เคยฆ่าคนเลยนะฉันฉันกลัวว่านี่แหละนี่แหละคือฮิริเออความเออคือโอตะปาะไงความกลัวตบะความกลัวต่อ บ, บาะโอตะปาะครับใช่ก็เป็นลักษณะ น, าานี้คือก็อันนี้ก็เป็นที่อาอจารย์เขาอธิบายไว้ก็ซึ่งก็เขาท่าดีก็เลยมาพูดให้ฟังครับเปรอะเปลอได้ชัดเจนใช่เราก็กลัวละอายต่อ บ, บาปด้วยนะเราจะเห็นได้ชัด ถ้าเรายึดมั่นพูดผิดจริงละถ้าเร า, าสมาทานหรือบบว่าถ<บ>้าเราเขาเรียกว่าใช้เป็นที่พึ่งบบในในเรื่องของคําสอนพระเจ้าเนี่ย<บ>เวลาเรามีปัญหาปุ๊บเราเข้านาที่พึง่งเวลาคุณมีปัญหาปุ๊บคุณขวานที่พึง่งมีปัญหาอย่างเช่นอะไรไอ้หารถมันมาปาดหน้าไว้มีปัญหาในชีวิตคุณเข้าหนที่พึ่งเลยหาที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าสอนไงไม่ให้ไม่โกรธถ้างั้นเราก็ไม่โกรธกันแล้วกันอย่างเงี้ย อืไม่โกรธทาไมอ่ะก็ฉันฉันเป็นคนที่ทําตามพระเจ้าสอนฉันเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะฉันจะไปโกรธฉันก็ต้องเสียชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นฉันไม่ทําหรอกความโกรธอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างน้อยไม่ด่าเขาหรอกครับอันนี้ก็ชื่อว่าเธอยังมีความเละอายละอายต่อบาปเพราะว่าความที่ว่าฉันเป็นคนพูดอย่างเงี้ยครับละอายก็ตือตัวเฮริใช่ไหมครับใช่ใเป็นเฮริครับอื คนที่อย่างปฏิบัติฮิริโอตาปาได้นี่ก็จะได้อันที่ส่งอะไรบ้างครับท่านโอ้ฮิริโอตาปานี่เป็นนี่เลยเหมือนกับอ่จะทําให้ถึงวิชาวิมุตต์เลยนะหมอนโอ้งเพราะว่าพระเจ้าเคยพูดถึงวาจาของสไปใหม่ไงโอครับที่ว่าสไปใหม่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยจะมีความกลัวและความละอายต่อทุกคนในบ้านนี่แหละคือคฮิริโอตาปา ความกลัวและความละอายต่อทั้งแม่สามีพ่อสามีตัวสามีแม่แต่คนใจและเด็กๆในบ้านทั้งหลายในบ้านเขจะกลัวและก็ละอายต่อเขานะคือละอายว่าฉันมาอยู่ใหม่ฉันจะทําไม่ดีฉันก็ละอายว่าฉันเป็นคนใหม่ฉันเป็นคนดีนะฉันก็ต้องอย่างนี้ฉันละอายใช่ไหมกลัวก็กลัวว่าเดี๋ยวหลานมันจะมาว่าเดี๋ยวลูกน้องมันจะมาว่าว่าเป็นภรรยาใหม่ไม่ดีฉันก็เลยไม่ทําความช่วยอย่างนี้แล้วพอเป็นงี้ปุ๊บป้ออะไร ฮิริอตตปาเนี่ยเป็นอาหารของสุจริตสามฟังให้ดีฮ oh, okay. so ิร oh. ิอตตปาเป็นอาหารของสุจริตสามสุจริตสามเนี่ยอืคือกายวาจาใจสุจร so so so ิตสุจริตสามเนี่ยเป็นอาหารของสุจริตสามเนี่ยเป็นอาหารของการสังรวมอินทรีย์คุณจะสังรวมอินทรีย์ได้สมงรวมอินทรีย์ได้เป็นอาหารของสติสติเนี่ยเป็นอาหารของโภชงจะเป็นสติเนี่ยเป็นอาหารของโพชงโพชงนี่เป็นอาหารของวิชาบิดมุด วิพีห์วิมุตครับมันก็เลยเป็นระดับนี้มาครับเพราะฉะนั้นเราทําหิริยวสปะนี่แหละเราก็ไปได้แล้วเรียกว่าไปได้ถึงที่สุดแห่งทุกเหมือนกันคใช่ใช่คือทุกอย่างมันจะเชื่อมกลับไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเรามามาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วเราก็พบว่าโอ้โหมันมันไม่ไม่มีอะไรที่มันจะไม่เกี่ยวข้องกันคนั่นยิ่งเพิ่มเป็นความประจันเออมันก็เกี่ยวข้องไปอีกตรงหนึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่จะขอมา ประกาศความผิดของตัวเองให้ท่านฟังฟังสักหน่อยนี่โอ้สาธุสมัยสมัยที่จะมามาศึกษาคําสอนพระเจ้าแรกๆเนี่ยนะเราก็มีความคิดที่ว่าเราไม่อยากจะไปศึกษาอะไรที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้าจริงๆเข้าใจไหมคือหมายความว่าเรื่องอื่นๆที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เราก็จะไม่สนใจเป็นต้นนะแต่ทีนี้พอเรามาศึกษาภาษาบาลีนัคือตอนนี้อจะมาไปเรียนภาษาบาลีอย่างจริงจัง นะ oh, เราก็พบ <thank you. S 1> ว่าในขณะนี้เขาที่หลักสูตรที่การสอนเนี่ยเขาก็สอนอเรื่องธรรมบทนะซึ่งเรื่องธรรมบทเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นถกถาบ้างส่วนที่เป็นพุทธวัชนะบ้างปนกันไปนะครับเราก็มาพบว่าโอ้โหเวลาไปเรียนแล้วเนี่ยโอ้มันมั น, ม, นมันแตกฉานขึ้นมาหมดละทงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี3ส่วนเพามาพิจารณาเนี่ยเราเห็นข้อมูลอยู่3ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องของความเรียนการเรียนในะส่วนที่หน่คือคุณต้องมี ส่วนที่สองนั้นคือเรื่องของภาษาบาลีนีนมันจะมีส่วนที่สามก็คือว่า เ, เรื่องของธรรมบทคุณประเด็นธรรมบทประมาณมันจะมีสมองค์ประกอบอยู่ตรงนี้ทีนี้เรามีความคิดว่าโอ้ฉันไม่เรียนหรอกไอ้พวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่พุทธวชนะเพียวร้อยเอร์เซนต์มันทำให้เราเกิดความคิดที่ว่าทําให้เราพลาดหมดทั้งสามอย่างนะพลาดเรื่องเรียนด้วยพลาดเรื่องภาษาบาลีด้วยเข้าใจไหมทีนี้พอเราไปเรียนแล้วเนี่ยเราพบว่าโอ้เราได้ความเรียน คือการเรียนเนี่ยเราได้เราได้ภาษาบาลีถึงแม้ธรรมบทนะเราแปลตอนนี้ต่อไปเราจะไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเราเอาความรู้เรื่องภาษาบาลีเอาความสามารถในการเรียนไปติดกับอะไรอย่างนั้นมันจเจริญขึ้นมาทันทีสมมติเราเอาไปติดกับ เ, เรื่องของการทำวิจัยเรื่องงานใดงานหนึ่งงานนั้นจเจริญขึ้นมาทันที เ, เอาไปติดกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะจริงๆรเรนสิ่งนั้นจเจริญขึ้นมาทันที ก็จะไหมทีนี้ว่ากระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะไปภาษาบาลีเราไม่ได้ร้อเอร์เซ็นต์นะตัดไปเราเหลือความสามารถในการเรียนอย่างเดียวความสามารถในการเรียนตรงนี้คุณเอาไปติดกับอะไรสิ่งนั้นเจริญขึ้นมาทันทีสมมุติว่าเราไปติดกับเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติดีขึ้นมาทันทีเราเอาไปติดกับเรื่องการทํางานการทํางานดีขึ้นมาทันทีครับก็จะไหมเพราะฉะนั้นพอเราไปเรียนแล้วเราพบว่าความสามารถอย่างอื่นก็เพิ่มขึ้นมาเราะันจริงๆจึงเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่าอะไรที่ คือเราจะปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกต้องซึ่งถ้าเรามีทิฏฐิงั้นเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือเราก็มองเป็นกลางๆอะไรเป็นประโยชน์เราก็เอาอะไรไม่เป็นประโยชน์เราก็ทิ้งไปนะเพราะฉะนั้นรรเราจะอยู่อย่างสบายอย่างสมมติมคุณบอกว่าสิ่งคนชั่วๆคนภายไม่มีประโยชน์ทําให้เรามีปัญหาแต่ว่าเราเห็นธรรมะในคนพายก็ได้นะจริงครับว่าคนพายเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ยุ่งกับเขาก็าจริงเราก็เห็นว่าเออสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ทํา เราก็พึงทำคาเครื่องขุดกล่าวว่าเราจะไม่ทำแบบเขาอย่างใช่ครับ ก, ก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับเึงข้อไหมมอ ง, อ ม, องมองอีด้านหนึ่งให้เป็นประโยชน์เป็นเป็นด้านที่เกิดประโยชน์ได้อะครับอ่าซึ่งนี้ก็อยู่ในมาร์กอยู่เต็มที่เลยครับเพราะมาร์กนี่ก็คือทำสัรเลขาธรรมครับสเลขาธรรมทำเครื่องทำเครื่องขุดกลาวครับใช่เพราะฉะนั้นก็จึงให้ท่านฟังทราบไว้ว่า สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะที่เราเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเรามองอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราเห็นอย่างถูกต้องอย่างรอบด้านแล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าสูดตรงไปด้านใ ด, ดด้านหนึ่งครับอืมก็เป็นทางสายกลางของที่พระพุทธเจ้าสอ น, นไปเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใชครับต่อมาประเด็นต่อไปมีคําถามจาก ท่า น, นที่ใช้นามาคุณอินนะครับอ่าบอกว่าเรื่องของพระที่คือตอนนี้อย่างพระในเมืองเนี่ยเวลาผู้คนใส่บาตรแล้วเนี่ยก็ไปขอพอรท่านก็เมตตาที่จะให้พรนะครับให้พอรอะไรไม่ทราบผมก็ไม่ไม่เคยได้ยินแต่ว่าก็ <ๆ S 1> คงยาวเป็นบทสวดบ้างอะไรบ้างนะครับอทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยไม่ทราบว่า ควรหรือไม่ควรหรือว่าอย่างไรครับท่านนี่คุณอินเขาก็เขียนมานะเขาบอกว่ารู้สึกว่าการที่ให้พระให้ปอนี่อาจจะไม่ถูกต้องใช่ไหมก็เลยบอกพระว่าไม่ให้ได้ไหมก็ทำกันจริงจริงพระเจ้าตรัสว่ายังไงในเรื่องนี้ข้อประวัติของบุคคลที่ไปบินธบาตพระเจ้าบอกไว้ข้อวัดบินธบาตเป็นวัดเนี่ยจะทํำยังไงพระเจ้าก็เคยพูดถึงการเตรียมบาทการเตรียมการเข้าไปเป็นลําดับ นะการแลดูกันแล้วดูการไม่เดินกระโยงพวกนี้เป็นข้อปฏิบัติของการไปบินถ้าบาทหมดอีกหนึ่งในนะอย่างนั้นแลนะคือการมีเสียงอันน้อยกลับนะเมื่ อ, อเข้าไปในบ้านเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนี้เข้าไปในกลุ่มที่มีบ้านเรือนคนออกจากวัดไปเนี่ยพึ่งมีเสียงน้อยอันนี้ข้อที่หนึ่งเพราะเด็นถ้าตะโกนเสียงต่างๆก็ไม่ได้แน่คือไม่ควรทำนะไม่ใช่ว่าไปจะไปมันจะไปผิดอาบัตอะไรแต่เป็นข้อที่ไม่ควรทำครับข้อถัดมาข้อที่สองก็คือว่าการที่ อ ไ, ไม่ยืนกล่าวธรรมะรไม่ยืนกล่าวธรรมะใช่พิกสุไม่ยืนกล่าวธรรมะพึงทำศึกษาว่าเมื่อกล่าวธรรมพึงไม่ยืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยืนก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละ น, น่าจะตรงกับคนนี้ที่ว่าเ<ช>แต่ว่าก็เป็นอข้อข้อควรปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะไปเป็นอาบัติผิดอะไรมากครับอืทีนี้ว่ามีกลุ่มพระสงฆ์ที่ก็ไม่ไม่ให้พร นะเพราะราคิดว่าการกล่าวการให้พรตรงเนี้ยคือเรียกว่าไม่ไม่มีการอนุโมทนาในขณะที่รับบาตรไม่มีการอนุโมทนาในขณะที่รับบาตร hmm. แต่คือคาให้พร อ, อย่างสมมติอะไรยะถาบริวาบาอะไรพวกเนี้ยนะรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการ เ, าเป็นการอนุโมทนานะท่านฟังฟังอันทีเป็นการอนุโมทนา น, มทนาไม่มีการว่าให้พรในคําสอนของบูชาการว่าให้พรไม่มีในพุทธวจนะนะมีแต่ว่าการอนุโมทนา ข้อปฏิบัติของการอนุโมทนาคือทําตอนไหนคําทําในข้อปฏิบัติในเรื่องการฉันอ๋อครับเรื่องข้อปฏิบัติในเรื่องการรับประทานอาหารตรงนี้มีการอนุโมทนาได้จะอนุโมทนาก่อนอนุโมทนาหลังจะอนุโมทนาพร้อมกันหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทั้งนั้นครับ <Okay. S 1> อันนี้นพระเจ้าเปิดช่องไว้แลเ้เพราะฉะนั้นถ้าอนุโมทนาก็ในระหว่างที่ก่อนฉันหรือหลังฉันอันนี้ได้ถ้าในขณะบินตบาดนะก็ไม่ได้บอกไว้ไว่าให้อนุโมทนา แต่ก็ไม่ได้ห้ามแต่มีข้อห้ามอย่างอื่นเช่นว่าไม่ให้กล่าวทําขนาดขนาดยืนคือก็ไม่ห้ามและเป็นข้อพึงปฏิบัตินะพึงปฏิบัติว่าไม่กล่าวทําขณะยืนนเมื่อเข้าไปในบ้านพึงปฏิบัติให้ไม่มีเสียงอันมากให้มีเสียงอันน้อยอครับก็พอพอจะสรุปได้ว่าอย่างนี้การให้ให้พรตอนที่บิณฑบาตก็พูดใหม่พูดใหม่หมอฤกษ์มงพูดใหม่ครับ ทีนี้ตอนพูดพูดถึงว่าอย่างตอนกรณีอ่าให้ให้พรตอนพูดใหม่มาลพงพูดใหม่ว่ยมมาลพงพูดใหม่จะ ใ, ให้พรต้องมาบอกว่าอนุโมทนาอ๋ออนุโมทนาครับอนุโมทนาโอเคครับเขาเพราะว่าเพราะว่าให้พรเราไม่คือมันไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ให้กันได้นะใช่ครับมีขรั้งหนึ่งเรมาไปบินตาบัตที่อขอนแก่นเราไปอยู่แถวมาวิทชายขอนแก่นก็ไปบินตาบัตรข้าวมากินใช่ไหมก็มี ไม่รู้เป็นใครจะเป็นนักศึกษาหรือใครคนไในมาอะไรเขาขับรถมาวื้ลอลงมาจอดขอา้างหน้าเอียปุ๊บลงมาปุ๊บปุ๊บปั บ, ปบใส่บาทเพาะ <c oughs> เราก็จะเดินไปเออเขาดีละอก็มาใส่บาทแล้วก็จะเดินไปบอกอ้าวท่านแล้วให้พรก่อน <c oughs> เราก็นึกเอ้ยพรนี่นเป็นยังไงนอนามตัวมันตัวมันเป็นยังไงเราก็นึกไม่ออกนะว่าเพราะอะไร <c oughs> อ๋อเพิ่งมันนึกได้อ๋อเขาต้องการให้เราอนุโมทนาครับเพิ่งจะนึกออกครับ ก็เลยผ่านไปอะนะก็นี่เป็นข้อที่เราให้ฟังเฉยอ่อทีนี้ว่าถ้าเราจะมาอธิบายให้เขาเดี๋ยวนั้นก็ทำไม่ได้อีกเพราะนั้นเป็นการกล่าวทําอีกคุณก็ยืนอยู่ครับใช่ไหมก็เออก็ผ่านผ่านไปอย่างเงี้ครับอืก็ถือว่าเมตตาเป็นใช่เพราะนั้นก็ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่การให้พรมันเป็นการอนุโมทนาเพราะฉะนั้นคุณได้ใส่ใส่อบาตรอย่างเงี้ยโอ้ยได้บุญมากแล้วนะเพระสงฆทุกคนเนี่ยเห็นคุณก้อนข้าวที่ท่านทั้งหลายให้อยู่แล้วล่ะครับนะเราก็ ปฏิบัติธรรมลธรรมให้เต็มที่ใช่ไหมคุณได้บุญเต็มที่แล้วพอคุณได้บุญแล้วยังจะต้องมีใครมารับรองการได้บุญอย่างนั้นหรือไม่ถ้าคุณต้องการใช่ไหมถ้าคุณต้องการคุณก็มารอในระหว่างที่พระรับปัะทานกินกันได้เห็นเลยกินกันได้เห็นเนี่ยแหละแล้วก็รับรองเลยว่าเออคุณได้บุญแน่หละว่าอย่างนั้นใช่ไมครับใชเมื่อเรื่องวินัยของพระเนี่ยนะวินัยของพระเนี่ยแต่ะเอียจะพูดได้นะ ถ้ามารุตพงศ์มีคําถามข้อไหนท่านผู้ฟังมีคําถามข้อไหนเกี่ยวกับเรื่องวินัยของพระเนี่ยเราก็อธิบายให้ฟังได้ครับอย่างนี้ถ้าในโอกาสต่ อ, ตอไปเนี่ยก็เรื่องวินัยเนี่ยจะมีข้อที่อสงสัยหรือว่าญาติโยมเนี่ยอแบบคับข้องใจอยู่เยอะจะค่อ ย, อยในโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะเป็ น, นในตอ น, นในตอนหน้าก็ได้เราจะรวบ ร, รวมประเด็นเรื่องวินยัยของพระที่อมารุตพงศ์จะมาเป็นผู้ถามเอง แล้วก็จะได้พูดแต่ละประเด็นประเด็นเอาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าเ อ, เออมันเกี่ยวข้องยังไงพระต้องทายังไงเดี๋ยวนี้ก็มีพระยืนเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยเราทําได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันจะมาขัดกับตรงนี้พูดไปเลยก็ได้สมมติพระยืนเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยทำได้ไห<ด>มองคพระเจ้า บ, บอกว่ายืนกล่าวทำเนี่ยพึ่งทําศึกษาว่าอย่าทําอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปรับอาบัติไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นก็ จะเห็นว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนแล้วก็จะต้องนั่ ง, น, งนั่งบนธรรมธาตด้วยแล้วก็ต้องมีใบาลานขึ้นบาลีนะอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะธรรมาก็ทําอย่างนั้นนะแบบในบางครั้งครับคือเราต้องนั่งขึ้นปุ๊บเราขึ้นบาหลีขึ้นบาลีเสร็จปุ๊บเราก็เทศไปาบางทีที่ออกอากาศทางสถานีวิยยทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยในเจ็ดวันเราก็จะมีวันหนึ่งที่เราทําอย่างนั้นแต่พุทธวชนะก็จกเป็นพระุทธวชนะจริงๆแต่เป็นเป็นภาษาไทยนะก็ไม่ได้ทำเป็นภาษาบาลีอะไรที่ให้คนฟังเข้าใจได้ แล้วก็อธิบายไปอย่างนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรทํำคือบางทีอย่างบันทึกรายการเนี่ยหมอฤทธิพงครับบางทีจะมาก็แบบอืของมันขึ้นก็ยืนบันทึกเหมือนกันนะยืนพูดกับหมอฤทธิพงเลยแต่ตอนนี้นั่งอยู่ส่วนใหญ่จะนั่งอยู่บางทีมันมันก็ยืนอ่ะซึ่งอก็ไม่ได้ผิดกฎไม่ได้เป็นอาบัติแค่พึงทําศึกษาว่าคุณที่จะนั่งทรานี้ซึ่งประเด็นตรงนี้รู้สึกว่าอพระ ท่านหลวงพ่อบรรยานันทะนะที่ท่านจะเป็นผู้ที่ทำคนแรก revolutionize ตรงนี้ขึ้นมาว่าพระมายืนเทศออกเอา action อะไรอย่างนี้มีอยู่ครับก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วประเด็นเรื่องวิในก็มาคุยกันตอนต่อไปได้นะมีคงมีสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิในพระเนี่ยส่งส่งกันมาได้นะครับจะได้ช่วยกันอ่ก็ทยอยตอบได้ แล้วคือมีหลายครั้งโดยเฉพาะยิ่งพฝรั่งอย่างเงี้ยอัลมาได้มีโอกาสไปประเทศนอร์เวย์นะเขาก็มีคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์ทําไมพระสงฆ์ต้องนั่งอย่างนี้ทําไมนั่งกินข้าวเดียวกับโตะโยมไม่ได้นะทำไมต้องโฮมอย่างนี้ทําไมคุณจะต้องให้เขามาประเคนข้าวคุณทุกวันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้มันอธิบายฟังได้ทําไมคุณต้องไปบินตบาทด้วยอ่ะคุณก็อยู่กินอย่างนี้อะไรทําไมคุณไม่ไปทํางานอ่ะ กูต้องทำงานนะอะไรเงี้ยนะทุกคนต้องเอินลิฟฟิงนะก็อธิบายให้ฟังได้คือบางทีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแบบเบสิคซิมเพิลที่เราอาจจะเออเพื่อให้เข้าใจอ่าล้วทำไมต้องกราบพระด้วยก็คนเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยนะอ่าก็ก็ก็เออ อะไรอย่างนงี้ก็มีหลายอย่างอย่างฝรั่งเขาโตมาในลักษณะที่เหมือนกับว่าต้องทำงานต้องหากินนะครับจะพื้นฐานความคิดก็คงต่างจากของเราที่มีรากลึกทางพุทธศาสนามากกว่าใช่ไหมครับคือเรื่องนี้จะมาสามารถอธิบายได้คิดว่าถ้าในคราวต่อไปเราพูดเรื่องนี้ก็ได้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวของพระอย่างนี้ครับนีนะ แล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับนะตอนหน้าก็ตอนที่62นะครับส่วนวันนี้ก็61ก็เราได้พูดกันหลายเรื่องเลยนะครับก็<ม><อ>ทั้งสติปัฏฐานแล้วก็เรื่องของฮิปปริ <S <S อุตตะปะแล้วก็ตบท้ายด้วยวินัยปละนะครับใช่ใชแล้วก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเจริญพรกรรษการพระอาจารย์ไพบูลครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ